أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و س ل م و ب ا ر ك على نبينا م ح م د وعلى آله وصحبه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ร ب نا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت و ك ر لنا وترحمنا ل ن ك ن ن من الخاسرين ربانا آتنا من ل د ن ك رحمة وهيئ لنا إن أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ت ن ا س ن ا ت ق و ه ا وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها الحمد لله سورة น ل ครับมออ่อีกประมาณมากกว่าครึ่งหน้านะครับผมจะพยายามทำให้เหลือแค่สองคาบก็คือวันนี้กับอีกหนึง่งหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับเพราะเกรงว่าช่วงกลางมีนาอาจจะมีภารกิจนะครับอินชาอัลลมะนะเพราะฉะนั้นเราจะ อ่านกันเลยนะครับ่ต้องมีมุกัดมาละคืนนี้อายะที่สิบแปดอายะที่สิบเก้าเอาอยุสิบแปดนะครับอายะที่สิบแปดว่าอันลมัสิดะิลลฮะสิบแล้ววะ วันนี้สิบปดครับยังไม่ได้อธิบายก็เลยสิบแปดก่อนอ่านแล้วแต่ไม่ได้อธิบายนะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبذا. قل إنما أدعُ ربَّ ไม่ชรคุบีให้อะหَา د ا ัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัล <س ؤ ال> <س ؤ ال> قل إني لا يجيرني من الله أحد وَلَنْ أَجِدَ مِن วَนนั้นจَไََ่ีَคร ا ยู่ไดَห ل กَม่มีَระَจً ا ص ิลล่าฮ์ ورسوله فإن له نعراجهنّما خالدين فيها أبدا <ت ص> في <ق> حتى إذا رأوا ما يوعدون <ت ص> فسيعلمون <في ق> من أضعفنا صراخ وأقل عددًا ا ل ح ล د لله นะครับอันนี้เป็นภาต่อจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลจินนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลจินเนี่ยจบไปแล้วทีนี้ อ่าอีกหลังจากนี้นะครับเป็นอายตัวที่อัลลอส์บภาน ن ه ละให้ท่านนาบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้ประกาศหรือได้บอกเล่าชี้แจงแก่ประชาชาติของท่านนะครับถึงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับอกีดเช่นเดียวกันเราบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องจินเกี่ยวข้องกับอคีดะ เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการศรัทธาของบาปต่อร้องสุภาโนต่าละจินนะครับเกี่ยวข้องเรื่องการที่เรารู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับจินมันเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับอัคคีดาของเราถ้าเรารู้ผิดๆบางทีอัคคีดาของเราอาจจะเสียได้รู้เรื่องจินผิดๆจะทำให้เรามีพฤติกรรมผิดๆเกี่ยวกับจิน ซึ่งจะทำให้เสียอัคดะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮฺฮฺะอัลลอฮฺในสุรษะนี้นะครับต้องการให้เรารู้จักจินแล้วก็ให้จินมาเล่าเรื่องของตัวเองให้เราได้รับทราบนะครับ เ, เป็นอัคดะที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอัคดะด้วยนะครับยาที่สิบแปด وأَنَّ ا ل ْ م َ س َ ا ج ِ فلا تدعوا مع الله أحدا ้มาสิยทั้งหลายนั้นว่าณ ا ل م س ا ج د ا ل م س ا ج د เป็นพระหุบศ์ของคาว่ามัสยิดอัล اجدة ลิเป็นของอัลลอฮ์นั่นแหละที่เราบอกว่าเราบอกว่ามัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ นะครับมสัสยิดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah Subhanahu wa Taala คำว่ามาสัสยิดตรงนี้เนี่ยในการอธิบายของบรรดานักตัปซีรนะครับความหมายออกมาเป็นสองแบบนะครับหนึ่งอธิบายคําว่ามาสัสยิดหมายถึงสถานที่ที่เราใช้เคารพพักดีหรืออิบาัตต์ต่อโลก Subhanahu wa ะ a a l a ก็คือเนี่ยเนี่ยเรียมสัสยิดอันนี้เป็นสิ่งของล l l a h ในขณะที่การอธิบายอีกแบบหนึง่งบอกว่าคําว่าอัลมาซาจิตตรงนี้หมายถึงอะดออสูจูด อ, อวัยวะที่เราใช้ในการสุจูด อ, อวัยวะที่เราใช้ในการสุจูดมีอะไรบ้างอุสจูดูอะอะมีอะไรบ้างมีเจหรือว่าแปดทั้งหมดเจ็ดอะไรบ้างครับหน้าผา ก, กับจมูก นผกับจมูกเนี่ยเดียวกันแล้วก็สองฝ่ามือแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็ท้านะครับมาชาลลอหันนะครับนี่เป็นอาตัวสุ j ูดก็คืออวัยวะที่เราใช้ในการสุ j ูดเพราะฉะนั้นอนทั้งสองอย่างนี้แต่ละแต่ว่าความหมายความหมายที่บอกว่าอัลมาเซจิตหมายถึงสถานที่ อีบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานองตะอัลาเนี่ยเป็นความหมายที่เดบุร์ละมักหลายคนนะครับบอกว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดในอายัดนี้นะครับลิลล่ะเป็นกามสิทธ์ของอัลลอฮ์มัสยิ d ที่เป็นสถานที่ก็เป็นกรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อวัยวะที่เราใช้สุ jud เนี่ยเราก็จะสุ jud ให้กับคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องสุ jud ให้กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับ فلا تدعوا مع الله أ ه د ดเพราะฉะนั้นพวกเจ้าอยากใช้มัส j ิด ในการอิบัตดอลใจตรงนี้ก็คือการอิบัตดัลการอิบัตนะครับไม่ใช่แค่การดูอาอย่างเดียวดูอามีสองแบบดูอาอุลอิบะดะดูอาอุลมัสอัลละและดูอาอุลอิบะดะดูอาแบบมัสอัลละก็คือยาอัลลอฮ์เนี่ยดูอาจะดูอาแบบการขอในขณะที่ดูอาอีกแบบนึงก็เรียกว่าดูอาอุลอิบะดะการอิบาตดัลของเราทั้งหมดนี่เราถือว่าเป็นการขอดูอา เวลาที่เราละหมาดเราทําอะไรในละหมาดก็ขอดูอาเพราะฉะนั้นอิบารัดทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นดูอาหรือดูอาแบบพฤติกรรมอุลามะแบ่งออกเป็นสองแบบดูอาอุลมัสอะไรดูอาแบบขอกับดูอาอิบารัดดูอาแบบทำละหมาดซาดะคอซากะคเราต้องการอะไรต้องการผลละบุญจากล l ะ a h ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการขอดูอาเช่นเดียวกันซาลาจัดู มาอัลลอฮิหมายถึงว่าอย่าได้อิบดติกตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในมัสยิดแล้วก็อ ว, ยวียะวะสุญูดอเราก็ไม่ได้อายัดนะนี้เนี่ยอุลมามะบางคนอธิบายว่านะครับหมายถึงนะเป็นการตอกย้ําหรือเป็นการห้ามพวกนสรณีแล้วก็พวกเยโฮดีสังเกตดูให้ดีนะครับนอกจากคนที่เป็นมุสลิมที่มีอัคเคาดะที่ถูกต้องเนี่ย สถานที่อิบาดัตดของพวกเขามักจะมีชิริกปะปนอยู่เกือบทุกประเภทนะเกือบทุกกลุ่มเห็นไหมครับถ้าเป็นโบสถ์ของของศาสนาอื่นในโบสถ์นี่จะมีอะไรมีภาพวาดมีเขาเรียกว่ารูปอะไรต่างๆนั่นนเต็มไปหมดเนี่ยของพวกยิวของพวกยิวฮุดีกับพวกนอสอรมีพระนางมีเยอะแยะไปหมดแล้วมีอะไรนะ อาหารข้ามื้อสุดท้ายแกเห็นไหมที่เขเขียนเนี่ยอันนี้คือชิริกรัตตะเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบบนี้ในอิสลามไม่มีแบบนี้พวกมุชริกินก็เช่นเดียวกันพวกมุชริกินเนี่ยในคัฟบะในมัสยิดิลฮารอมก่อนที่ท่านนบีสุลตัลละสลัมนะครับจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยรูปปั้นส6 0หสิบ 160ตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น Allah t a a จึงให้ท่านนบีประกาศว่ามัสยิดเนี่ยเป็นของ a ลล a h ทำไมพวกเจ้าจึงเอารูปปั้นมาตั้งเอาไว้นะครับไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นสมัยของเรามัสยิดบ้านเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีรูปปั้นอาจจะไม่มีภาพวาดแต่บางละทิบางกลุ่มพวกที่สุดตมนะที่ไม่มีใน ไม่มีไม่มีความเชื่อแบบอัลลอุซุนนะฮะหจามะเนี่ยจะมีอะไรในมัสยิดมีอะไรครับมีสถานที่กราบไหว้ด้วยในมัสยิดของเขามีมีศพ ม, มีหลุมฝังศพในมัสยิดนะครับนี่คือบางลัที่พวกเรารู้กันดูอะไรนะครับอ่ก็คือพวกพวกรฟิดะพวกชีอะห์รฟิดะแล้วก็พวกซูฟี อันนี้ก็น่าเป็นห่วงอันนี้จะชิริกต่อล l l a h ที่ไหนในมสัสยิดของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ได้ فلا ت د ล و ا مع الله أحدا ในมสัสยิดเนี่ยจะต้องให้มันนะผู้บรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah ต่อวันอาขีรัดเนี่ยมสัสยิดจะต้องบริสุทธิ์จากการรูปแบบของชิริกทั้งปวงไม่ได้นะครับถ้ามีถ้าสมมุติว่ามีกูโบ อ, อยู่ในมสัสยิด กูรเมฆบอกว่าให้ย้ายกูโบออกไปนะครับอันนี้เป็นกรณีบางคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าเอา้าเรื่องมัสยิดนบีนะมัสยิดนบีนั้นกูโบไม่ได้อยู่แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนมัสยิดนบีต่างหากนบีเนี่ยกูโบต่างหากหมายถึงว่าอยู่ในบ้านของท่านบ้านของท่านไม่ได้เป็นมัสยิดพอมันใหญ่ขึ้นพอใหญ่กว้างขึ้นก็มีความจําเป็นจะต้องขยายมัสยิดจนกระทั่งนะบ้านของท่านก็เลยมาอยู่ในในมัสยิดแทน นะครับแต่ว id, nah, ่าม nah, ัสย ah ิดอื่นๆไม่ได nah. ้นะครับนี่คือเพราะว่าอัลมาซิดะลิลละห์มัสยิดนั้นเป็นของอัลลอ์นั้นาอนุล ق ا م ع ب د ي د ع و ه ك ا د و يكونونعليهلبدا ละม้านะบ่าวของอัลล์ลุกขึ้น ทำอิบัตต์ต่อพระองค์หรือลุกขึ้นละเมอ ต, ต่อพระองค์บอกของลองในที่นี้ไม่ถึงใครครับหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเนี่ยลุกขึ้นมาละเมแล้วก็อ่านอัลกุรอานเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นกาดูยักูนูน่อะไลฮิลิบัตพวกจินเนี่ยอันนี้ก็มีสองความหมายเช่นเดียวกัน ข้าขหมายแรกนะมีามการอธิบายว่าจินเนี่ยจะมารุมหรือจะมาชุมนุมกันเพื่อที่จะมาฟังอัลกุรอานที่ท่านนาบีอ่านด้วยความรู้สึกชงนสนเท่ด้วยความรู้สึกแปลกใจที่เห็นไม่เคยเห็นวิธีการอิบาดาดแบบนี้มาก่อนนะด้วยท่าทางสงบนิ่งโคชูและก็ด้วยการอ่านอัลกุรอานที่ไพเราะ พวกยินงไมชอบนะเพื่อที่จะมาฟังท่านน آن, บีอ่านอัลกุรอานแล้วก็เอาไปบอกกับพวกพวกเขากาดูยาคูนูนอะไรฮิริบาดะหมายถึงว่ามาทับซ้อนกันเลยนะเพื่อที่จะมาดูท่านนบีด้วยความอยากอยากรู้อยากฟังอันนี้เขาเรียกว่ามาชุมนุมในเชิงบวกในขณะที่มีอุลามะ <c oughs> ตับซีรบวังท่านก็อธิบายว่าไอคนที่มาชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ยิงแต่ เป็นพวกมุชริกีนจินมาฟังท่านนบีเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากอัลกุรอานแต่พวกมุชริกีนมาฟังท่านนบีทำไมมาฟังท่านนบีเพื่อที่จะปิดกั้นไม่ให้คนอื่นได้ยินอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเลียดฟิอูนูรอัลลอฮ์ลียดฟิอูนูรอัลลอฮ์เพื่อที่จะมาดับรัศมีท่อยคาแห่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาเพือขวางขิดอายัดนั่นเองนะครับ سبحان อัลลอฮ์นะครับมาเยอะมากเลยเพื่อที่จะนะมามาก็เรียกว่าอะไรนะมารุมนะไม่ให้คนอื่นเข้าถึงอัลกุรอานที่ท่านนาบีกาลังอ่านอยู่ سبحان อัลลอฮ์คนละเรื่องกันเลยจินมาฟังก็ที่จะได้รับประโยชน์แต่ขณะที่พวกผูช้ชลีกีนเนี่ยมารุมมาห้อมล้อมเหมือนกันแต่มาห้อมล้อมเพื่อที่จะปกป้องกัน ไม่ให้คนอ่นได้ยินอัลกุรอานเหมนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไมลาพูดและไม่คุยก็ต่อไนะครับยติยิสบนะกลวินน์มาอัลโดรับบีว่ละอิชริกุบิฮีอะห์ดากลวินนีลาอัมลิคุลกุมดัรนว่ละรชดะกลวินนีแลนยูจีรันีมินัลลอฮีอะห์ดาว่ละนัจดะมินดูนีมุลถาดาสามกลวินติทกัน สังเกตนะครับอายะที่หนึ่งอุลอินนีอัดลรบบีวะลาอุชริกูบิฮิอัฮะดาจงกล่าวเชิญมูฮัมหมัดแท้จริงฉันเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของฉันและไม่ใช่เชิญชวนนะฮะอัดลรบบีก็คืออิบะดัดนะฉันขอดุทิศต่อพระเจ้าของฉันหรือขอหรือทําอิบาดัดต่อพระเจ้าของฉันวะลาอุชริกูบิฮิอัฮะดาและฉันไม่ตั้งพักีต่อพระองค์ด้วยสิ่งใดๆทั้งสิ้น นี่คุณที่หนึ่งใท่านนาบีประกาศว่าท่านเนี่ยจะไม่เคารพพักดีนอกจากอล l l a h เท่านั้นคุณที่สองอินนีลาอัมลิกุลักุมดรรันวะลาโรชัดะแท้จริงฉันไม่ได้ครอบครองนะและคุ้มไม่ได้ครอบครองให้กับพวกเจ้าดรรันดรรันก็คือสร้างความเดือดร้อนโรชดัดะหมายถึงให้คุ ณ, ณประโยชน์ยังไงครับ สร้างความเดือดร้อนท่านนาบีเนี่ไม่มีหน้าที่ในการที่จะมาไม่มีอำนาจอ่ลเราสั่งให้ท่านนาบีประการฉันเนี่ไม่ได้มีอำนาจอะไรทีนะพวกเจ้าเนี่ยมามารุมห้อมล้อมฉันเนี่ยกลัวอะไรนักหนานะฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาฉันทําอันตรายใครไม่ได้ทําอันตรายใครก็ไม่ได้แล้วก็จะให้ประโยชน์กับใครก็ไม่ได้นะ คำว่าธรรมอันตรายกับให้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายได้ทั้งในเชิงรูปธรรมกับในเชิงนามธรรมเชิงรูปธรรมยังไงเชิงรูปธรรมก็คือว่าท่านนับีเนี่ยมาเป็นรอซูลเนี่ยถามว่ามาแจกตังไหมเอามามาเป็นผู้ศรัทธาฉันจะแจกตังให้อลลอฮฺส่งตังมาให้ฉันแจกกับพระเจ้าใช่หรือเปล่าครับนี่ไม่ได้รับประคันอย่างนั้นนะ ท่านนาบีไม่ได้มาเพื่อที่จะบอกว่ามาฉันจะให้ให้ให้เป็นเกาะเป็นกรรมเลยอ่ะใครที่เป็นผู้ศรัทธาให้ที่ดินหนึ่งไร่สองไร่ไม่มีมมอย่างนั้นนะครับอันนี้แบบรู ป, ปรธรรมไม่ได้มาเพื่อที่จะมอบวัตถุให้กับผู้ศรัทธานะครับในขณะที่เชิงนามาทำถามว่าท่านนาบีสามารถที่จะให้ฮีดายัด ก, กับคนอื่นได้ไหมการที่คนคนหนึ่งศรัทธาต่อท่านนาบีนี่เป็นเพราะว่าท่านนาบีปิง้ง ให้คนคนนี้รับพิดยัยกรรใช่หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าท่านนบีทําได้เนี่ยแ น, น่นอนว่าคนในมักกะเนี่ยเป็นมุสลิมกันหมดเลยอ่ะเอาไม้เท้ามาเคาะหัวเคาะหัวเคาะหัวเป็นมุสลิมกันหมดเลยได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ท่านนบีไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พิดัยกรรกับใครไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ใครหลงทางนี่คือความหมายของอายักนี้อุลอินนีและอัมลิกุลอะคมวอรอนะจะทําให้คนหลงทางฉันก็ไม่มีสิทธ์ เวลารัชดาทำให้คนรับอิดายะฉันก็ไม่มีสิทธิ์สิทธินั้นอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์นี่คืออิดที่สามนะครับต่อไปกุลต่อไปกุลอินนีแลนยูจีรานีมินอัลลอฮิอัพเดจงกล่าวเถิดว่าไม่มีใครที่สามารถปกป้องฉันจากการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์สมมุติว่าท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษท่านท่านนบีทาผิด อัลลอ์จะลงโทษท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีบอกว่าไม่มีใครที่สามารถจะปกป้องฉันจา ก, Allah าา อ, อ, กอัลลอ์สุบฮานอตัาละขนาดตัวท่านเองยังหนีอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วท่านจะไปให้อะไรกับใครไนดะ้เป็นการตอกย้ำอายักที่ผ่านมาล่นล่นเนี่ยมีคมีความหมายคำว่ามีความหมายม่ไม่แต่เป็นไม่นะไม่ที่เขาเรียกว่าเด็ดขาดนิรันดร์การ นัสยุลอบดีะเขเรียกว่าปฏิเสธแบบแบบที่สุดของที่สุดปฏิเสธแบบสำ불นะสังเกตดูให้ดีภาษาอับบันจะมีคาว่าลำลำอาจิดลำยาจิดลำลูลยูลัดลำยาลิดลำลำแล้วก็มีมแล้วก็ลำตัวนี้ก็แปลว่าไม่ ในขณะที่ลั่นลมัมแล้วก็นูนก็แปลว่าไม่เหมือนกันแต่คนละไม่ติกันลั่มที่ลงท้ายด้วยมีมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปฏิเสธแบบปกติทั่วไปในขณะหรือว่าปฏิเสธที่อดีตที่ผ่านมาในขณะที่ลั่นที่ลงท้ายด้วยนูนเนี่ยเป็นการปฏิเสธแบบไม่มีช่องว่างใดๆอีกต่อไป เล่นยูจีรานีมินัลลอฮิอาหัดไม่มีใครที่สามารถจะปกป้องฉันจะคุ้มครองฉันถ้าว่าอัลลอฮ์สุบบานตั๋ลละต้องการที่จะลงโทษฉันรู้สึกว่าเราจะเคยเรียนแล้วนะครับในสุรตุละฮัตนะความหมายแบบนี้เคยเรียนแล้วในสุรตุละฮัตที่อัลลอฮ์ตั๋ลละบอกว่าอะไรนะถ้าสมมุติท่านนบีโกหกสักคำหนึ่งเนี่ยเราตั๋ลละจะทํายังไงละขอนั้นฮุบิลยามี จะเอาด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์สมมักะต่อนาบินบุลวจิ้มะเาจะเชื่อดคอหอยอหอยใครอหอยท่านน บ, บีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิซลถ้าท่านน บ, บีมุฮัมมัดโกหกว่าอัลกุรอานเนี่ยโกหกเกี่ยวกับอัลกุรอานเราจะจะไม่ปลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านน บ, บีเองก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากอำนาจของ Allah س ب ح, ح ا ละ ت แสดงว่าท่านไม่ได้มีอำนาจอะไร ่านไม่สามารถจะให้อำนาจกับใครด้เขาได้ครับวันฉันจะไม่มีทางที่จะไปพึ่งพิงคนอื่นหนีจากอัลลอ์ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่มีทางเด็ดขะมาช่าลอรุลอฮะตูบอสามอายักนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าเราสามารถที่จะเรียกมันว่าอายัตอตูฮี สามอายัดนี้เป็นการประกาศที่หนักแน่นมากๆเกี่ยวกับหลักการให้เอกภาพต่อ Allah Subhanahu wa Taala Jamawadi เวลาที่เราจะบอกว่าอัตถดั่งของเราเป็นยังไงเนี่ยดูนี้อายัดนี้เลยคุณกล่าวเลย adu Rabbi wa a shriku bihi ahdah ฉันเคารพต่อ Allah เท่านั้นฉันไม่ชิริกต่อพระองค์เด็ดประกาศเลย “قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا” ฉันไม่มีอำนาจใดๆ้าได้มีอำนาจขอ Allah سبحانه وتعالى “قل إني لن يجيراني من الله أحد” ฉันไม่มีทางที่จะหนีพ้นจากอำนาจขอ Allah จากการลงโทษขอ Allah سبحانه وتعالى มีอะไรอีกที่จะสุดยอดไปกว่านี้นะครับนี่เป็นอายะที่สุดยอดที่สุดในการประกาศตัวฮีดต่อ Allah س ب ح ا ن ا นะครับท่านนบีเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสบ่าวตระลารักมากที่สุดในจานวนมักลุกทั้งหมดท่านนบีเป็นผู้ที่อล่อรักมากยังไม่มีอํานาจแล้วเราจะไปเชื่อไอไอไอไอผีที่ไหนอ่ะฮะจะไปพึ่งผีที่ไหนเปรตที่ไหนอะเออะไรนีมันมีหลายตัวเกินนะพูดไม่ถูกนะ พูดผีปีศาจ ท, ที่ไหนฮะเอวพึ่งอยู่ตอนเนี้ยหรือบางทีนะไม่ได้พึ่งเปรดไม่ได้พึ่งผีพึ่งอากาศจริงอะไรอากาศจริงตะการจรจิงฮะอ ะ, อะไรนะไม่ใช่ตะการจริงภาษาจาวีบางทีมไม่รู้นะตะการจริงก็คือสายไสเดือน <laughs> คนุณคุณจาวีก็จะเรียกสายไสเดือน เดีวคนคนภาษาไทยเขาใช้เขาอะไรที่เขาผูกที่คอผูกที่มือเนี่ยกลัวว่าลูกมันจะมีพยาธิสายสายป้องกันพยาธภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะสายอะไร อ, อะฮะ <c oughs> ถ้าพูดถ้าบอกว่าเออถ้าถ้าพึงพ่งพึ่งผีพึ่งเปรดมันก็ยังดีกว่าพึ่งสายที่ไม่รู้ว่ามีสายอะไรนะอัลลอฮ์มิมดะลิกสุบฮานัลลอฮ ลละแล้วม ول ันเกี่ยวกับพยาตรงไหนเนี่ยเวลาที่เราไปแขวนอะไรตรงเนี้ยฮะมันเกี่ยวกับพยาตรงไหมันแผ่รังสีไปฆ่าพยาตในท้องได้หรือว่ายังไงน้าอูซุบิลลาฮามินซาลิกนะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับลลนยูจีรานีมินอัลลอฮีอะฮัดวลันอัจจาหมินดูนีฮุลเตฮะดาท่านนบีอะท่านนบีไม่มีอบนาจอะ แล้วไอ้สายอะไรพวกนี้มันจะมีอำนาจได้ยังไงแวา ล, ลาอัลลฮลลอฮอกลอันนี้คือประเด็นนะครับที่อันตรายมากนะครับเกี่ยวข้องกับอักฉริของเราอับลมินอัลลอฮวริซาลติอันนี้เป็นข้อยกเว้ น, นท่านนับีประกาศว่าฉันไม่มีอำนาจอะไรเลยอำนาจที่ Allah ลาให้กับฉันคืออะไร อิลลบัลลักระมินอัลลอฮ์ م م นอกจากหน้าที่ในการเผยแพร่บัลลก็คือการมาชี้แจงมินอัลลอฮ์มาบอกต่อเอาข่าวสารเอาข้อมูลเอาวะฮยูจากอัลลอฮ์มาบอกกับพวกเจ้านี่แหละคืออำนาจของท่านนาบีมุฮัมมัดนอกจากนั้นไม่มีมาบอกแล้วฟังหรือไม่ฟัง จะได้รับพิดยัตหรือจะไม่ได้รับพิญยัตเป็นหน้าที่ของ Allah แล้วแต่จะต้องบอกให้ที่สุดบาลากเนี่ยคำว่าบาลากเนี่ยไม่ใช่บอกแบบคนฟังฟังไม่เข้าใจหรือบอกแล้วคนฟังยิ่งงงไม่บอกจนเข้าใจนี่ ค, คำว่าบาลากบาลากุลมูบินเพราะฉะนั้นเราวังให้ดีบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดว่าเออบอกแล้วอาจารย์ มันไม่ยอมรับบอกจนกระทั่งเข้าใจหรือเปล่าถ้ายัางไม่เข้าใจยังไม่เรียกว่าบาลาบาลาหมายถึงบอกจนเข้าขาใจจนไม่มีชุบวบาใดๆอันนี้คือคำว่าบาลาถ้าหากว่าบอกไปแล้วยังไม่เข้าใจต้องบอกอีกแล้วต้องไม่เหนื่อยที่จะบอกเหมือนกับนบีนอูอัลาฮิซัลลม จะเพิ่งบอกว่าเหนื่อยนะครับเราเรียนอย่างน้อยในส่วนในยูจุที่ยีสิบเก้านี่เราเรียนอย่างน้อยกี่คนแล้วนะครับเรื่องราวของมัณฑนาาบีน บ, บียูนุสเราก็เรียนแล้วน บ, บียูนุสในสุรษสุรษอัลกัลัลลมน บ, บียูนุสหนีออกจากเมืองของตัวเองแล้วลลอะไรต่ออะไรทำยังไงกับน บ, บียูนุสเห็นไหมครับไม่ได้เราจะบอกว่า มันมันให้เหมือนกับนบียูนุสก่อนนะให้เหมือนกับนบียูนุสก่อนเการ้อยห้าสิบปีจนกระทั่งรัตะละบอกว่ า, วาหลังจากนี้ไม่มีใครที่ศรัทธาต่อเจ้าแล้วนูเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องทําแล้วนั่นแหละถึงเวลาขอดุอาศแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาบอกเรานะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาฟังเจ้าแล้วต้องบอกต่อสุภาพน่ลหรอว่าผมเพิ่งผมพิ่อ่านเมื่อวานว่าวันนี้ เกี่ยวกับอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามชาฟีอีรู้อิหม่ามจังไม่ได้ละสอนลูกศิษย์แล้วมีลูกศิษย์ที่แบบว่าไอคิต่ําอยู่หน่อยคนหนึ่งสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกไม่เก็ตสักทีลูกศิษย์คนนี้จนกระทั่งลูกศิษย์คนนี้ยรู้สึกอาย รูสุกอายไม่อยากเรียนแล้วพอโตครูจะสอนเนี่ยลูกสิทธเดินหนีเพรฟังไม่รู้เรื่องคือครูที่สอนจนกระทั่งว่าโตครูนี่ต้องเดินตามอ่ะเดินตามแล้วก็ไปดึงเสื้อมามานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปบอกอย่าเพิ่งไปมาเรียนก่อนเพราะว่าอายแล้วไม่เอาแล้วอายโตครู เอาเพราะว่าโต๊ะครูสอนเยอะมากทัวไม่รู้ตั้งกี่ครั้งลูกศิษย์ยังไม่เก็ตพอแล้วพอแล้วไม่ต้องสอนแล้วฉันขอโทษฉันขอแค่นี้ลูกศิษย์ยอมแพ้เราไม่มีไม่ลูกศิษย์ยอมแพ้เนี่ยฮะน่ามีแต่โต๊ะครูยอมแพ้ลูกศิษย์นายอิละฮ์อิละห์แล้วโต๊ะครูก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถ้ายังไม่รู้ฉันก็จะสอนเจ้าต่อ سبحان الله นี่คืออัลเบลา กรใจายได้เปล่าครับอย่าในคนเป็นครูต่อไปใครที่จะเป็นครูเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อลูกศิษย์อย่าเพิ่งเบื่อนักเรียนนะอย่าอย่าเขาเรียกว่านักเรียนที่ไอคิวต่ําๆไปอยู่ท้ายห้องใช่กูไม่สอนมึงกูสอนเฉพาะสองสามแถวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครูครูสมัยนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไรมั้ยไอพวกเขาเรียกว่าปลายปลายแถวเนี่ยไม่สนใจสนใจแต่พวกเรียนเก่งๆนะเพราะอะไรฮะเพราะ สอนง่ายว่าง่ายแล้วก็ส่งไปประโวดก็ได้รางวัลการโรงเรียนอีกเ yeah, น, น, นี่ยชุ่วพน์นั่นแหละอันเนี้ยแสดงว่าครูคนนี้ไม่ได้เป็นอัลบาลัลอัลมูบินนะไม่ได้ตามท่านนาบีสุลต่านละอัลลอฮฺสลลั่งลลสอนอะไรต้องเป็นบาลันี่คือความหมายของคำว่าบาลัลนะครับความหมายโดยรากศัพท์ของมันเนี่ยก็คือมาจากคําว่าสอนจนจำแจ้งจนไม่มีชุ่วัตใดๆทั้งสิน้นตราบใดที่ยังมีชุ่วพัฒอยู่ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจยอยู่ก็ยังต้องสอนต่อ ต้องบอกตอบนะครับต้องทวนกี่คร sure> ั้งก็ต้องบอกนี่คือหน้าที่ของคนเป็นรอซูลและคนที่รัดมรดกจากรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมนะ ب ل ันมินอัลลอฮ์วาริซาลละและริซาละริซาละก็คือสารคือวิาจะอัลลอฮ์ سبحانه และท่านนบีเป็นผู้นำสารนะรอซูลริซาละรักษาทาเดียวกัน รอสูลก็คือศาสนทูตนะคนที ke, a, wa, ่เป็นทูดอัลลอฮ์อัลาอบอกว่าเอ้าเอาสารของฉันมาบอกกับมนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่ารอสูตรนะครับว่ามนยัสลลัลลวะรอสูละหูฟินนละหูนารจหันมะข้าลีนฟีห์อบดาใครที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ยัสลลัลลก็คือ ไม่ไม่สัตท่ากูฟร์ตอัลลอฮ์และกูฟรต่อัลสูลของพระองค์ฟอนล ف إ ร ل จะ ا ันน ن م แน่นอนว่าเขาจะต้องได้รับนรกจะฮันนัมข้าวเลดีนใที่แอบดาและจะต้องอยู่ในนรกชั่วครับชั่วกันเราอุบลละห์ในนั้นนะครับคำว่ามักเสียตรงนี้หมายถึงกูฟร หมายถึงปฏิเสธศรัทธาขอร้องสุภาณหรือแต่อ ح ح ตะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงบาปทั่วๆวไปนะครับบาปตรงนี้คําว่ามักเสียตรงนี้หมายถึงการกูฟอนั่นเองนะครับพน้องครับนี่คือความชัดเจนหน้าที่ของเราซูลคือมาบอกในขณะที่หน้าที่ของเราก็คืออะไรมีอยู่สองอย่างไม่ศรัทธาก็คือกูฟอเลือกเอาว่าจะเอาอันไหน Allah Taala บอกเองมัน فمن ฟ ا ء ع ل ي ه น ว่ามันชอยใครที่อยากจะศรัทธาแตฟ่ฟดลเชิญใครที่อยากจะกูฟรุรเชิญแต่วันอัคราชคุณต้องรับรับอะไรรับผลจากการเลือกของคุณเองคุณจะมาว่าว้าวก็บอกว่าเลือกได้เอาเลือกแต่ว่าบอกแล้วถ้าใครเลือกแบบนี้จะได้อย่างนี้ใครเลือกแบบนี้จะได้อย่างนี้แล้วตัวเองก็เลือกเองก็ช่างหัวตัวเอง นะครับไม่มีการบังคับและอิกราฮัฟิดดีอยากจะเป็นคนดีบังคับไหมไม่ต้องมีอยู่หลายที่นะครับในยาย์อัลกุรอานละอิกราฮัฟิดดีในสุราตุลเบคาระแล้วก็ในสุราอัฟอัฟานุซิมุมฮะ وأنتم لها كارهون ในสุราอะไรสุราสุราฮุด وس ุรา و ن س นะครับอัฟานุลซิอฟานุลซิมุมฮ หมายถึงว่าไอ้ที่ชันมาด่าว่าเนี่ยฉันมาบังคับเจ้าหรือเปล่ไม่นะครับทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับหน้าอย่างบอกแล้วหน้าที่ของเราซูลก็คือมาบอกในขณะที่หน้าที่ของมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยก็คือรับหรือไม่รับเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีว่าเราจะรับหรือไม่รับนะครับแล้วแต่ละเส้นทางที่เลือกเนี่ยมีผลกรรมเตรียมเอาไว้แล้วนะคนที่รับศรัทธาจะได้รับอะไร คนที่ปฏิเสธศัธาจะได้รับอะไรลักษณะบอกไว้หมดชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นสุ ح ا ن الله لا إله ล ل ا الله صل الله على رحمة الله لا إله إ ل ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับที่จะไปบังคับใครจะเอาไว้แม้ว่าคนคนนั้นเวลาที่เราทำหน้าที่ในการชักชวนคนอื่น เรียกร้องคนอื่นให้กลับมาสู่อิสลามแล้วคนอื่นไม่รับอย่าไปโทษเขาหรืออย่าไปวิจารณ์เขาโดยที่ไม่ได้หันมาทบทวนตัวเองว่าเราบอกเขายังไงเราบอกเขาแบบไหนเราบอกอะไรเขาต้องดูตรงนั้นก่อนก่อนที่จะไปวิเคราะห์ ก่อนที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราไปด่าวเนี่ยวิเคราะห์ตัวเราก่อนเราบอกอะไรเขาไปเราบอกแบบไหนเราใช้อะไรในการบอกเราบอกเนท่านนาบีบอกไหมส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะวิเคราะห์ว่าสำเร็จไม่สาเร็จเราวิเคราะห์ใครเราวิเคราะห์คนอื่นเราไม่ได้วิเคราะห์เราอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจให้ดีไม่รู้จะบอกอยังไงละอ้าวนั่นแหละ ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับสุขานลละลอและอิลาฮอิลละจะทำยังไงดีนะนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะบอกเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจอะ่ะว่าหน้าที่ในการดะว่านี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแต่บางทีมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับมีอุปสรรคหลายอย่างเป็นเรื่องปกตนะิเวลาที่เราบอกแล้วคนไม่ฟังหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติ มาทบทวนนะครับทบทวนตัวเองทบทวนแล้วก็เวลาที่เราบอกเขาแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่ามีแรงเสริมด้วยไหมนอกจากเราจะทำหน้าที่ที่เป็นฟัดดูแลฟัรดูก็คือบอกให้รู้บอกให้ชัดเจนบอกให้แจ่มแจ้งด้ววิธีการที่ถูกต้องมันต้องมีแรงเสริมด้วยแรงเสริมก็คือการที่เราเนีย่ยยกมืออย่ารอ เปิดหัวใจเขาหน่อยเธอฉันไม่รู้จะบอกยังไงแล้วอาจจะเป็นเพราะหัวใจของเขาไม่เปิดอยู่หรือหัวใจของฉันอะไรก็แล้วแต่ฮะต้องมีแบบนี้ด้วยต้องมีแบบนี้อันเนี้ยสำคัญกว่าสาคัญกว่าบางทีนะไม่พูดสักคำไม่พูดสักคำแต่เขารับอ่าเพราะเลาะเปิดใจเขาเปิดใจเขาอยากจะเห็นเรา นะแค่เห็นเราเขาก็อยากจะมาแล้วเพราะอะไรเพราะเขาได้รับจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้หัวใจของเขาเดินทางมาหาเราอันนี้ต่างหากเหมือนที่หลายคนในยุค ข, ของท่านนาบีเดินทางมาหาท่านนบีสุลต่าละหัละหัวสัลลัมโดยที่ท่าน น, า บ, า น, นาบีไม่ต้องไปหาอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราระวังให้ดีนะครับบางทีเราอาจจะลืมข้อสองเราอาจจะลืมเนี่ยไอตัวเนี้ย ไอที่เราต้องขอจากอัลล์ ح ه และ تعالى ขอให้อัลลอฮ์และละเปิดใจเขานะครับมันอย่างซึ่งละฮ์ و ر س น ل ه فإن له อยบุนี้เป็นการขู่เร็ามุชริกีนเป็นการตอบย้ำว่าสัญญาของอัลลอฮ์ س ب ح ละก็เป็นสัญญาใครที่ปฏิเสธท่านนบีสุลต์ละฮ์สัลลัมแน่นอนว่า เขาจะต้องอยู ay, ่ในรกตลอดการเปล่ะเห็นได้ถาถิมถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าร้าถาถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าน้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าน้าถาถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถา้ถาถา ยอะเยะ้ยท่านนาบีไม่เว้นแต่ละวันปล่อยไปปล่อยให้เยอะเย้ยไปปล่อยให้ถากถามไปปล่อยให้ล้อเลียนไปแต่พอมาถึงวันเนี้ยหัดเจะจนกระทั่งไอ้พวกที่ล้อเลียนอยู่เนี้ยมาเห็นของจริงในวันอัคราฟาสัะลมูนคนเหล่านั้นก็จะได้รู้ว่ามันอัศวะฟุนาซิรันนะใครที่ อัลดาฟนาซีรอนหมายความว่าใครที่อ่อนแอกว่าใครที่ อ, อนาเซรเนี่ยหมายถึงคนช่วยผู้ช่วยเหลือผู้ให้การปกป้องเนะพราะถึงวันอาคาัคราเนี่ยมีใครไหมที่จะช่วยมุชริกินได้ไม่มีอย่าว่าแต่คนอื่นจะช่วยเขาเลยตัวเขาเองก็ช่วยเขาไม่ได้ตัวมุชริกินเองอ่ะ ตัวคนที่ปฏิเสธ Allah เองเนี่ยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วจะให้คนอื่นมาช่วยได้ยังไงไม่มีใครช่วยได้อดัลอฟนอัลรันวันนั้นจบวะอักลลูอดะดะใครที่มีพักพวกน้อยกว่านะครับในดุนียาอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ตัวเองมีพักพวกเยอะไอ้พวกกาเฟพวกบุชริกแต่พอไปเจอในวันอาครัตไม่มีใครนะ ไม่มีไม่มีพรรคพวกนะครับเพราะว่ากองทัพของลอสเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์นะจินก็เป็นกองทัพของลอสมรคลูกอื่นก็เป็นกองทัพของลอสใช่ไหมครับทุกอย่างที่เป็นมรคลูกของลอสเนี่ยเป็นกองทัพของลอสหมดเลยลมก็เป็นกองทัพของลอสในสงครามในสงครามอะไรสงครามบาดาสมลายิกัดเป็นกองทัพของ อ, อลอสลอสล拉ทรงมาลายิกัดมาเซล่าซาตุอาลาฟิน มินาลมาลาอีกะทิมหรดิฟินลกามาสัมพันธ์ส่งมาเป็นกองทัพในในในในในรวาตุลอ์ซาในสงครามอ์ซาบสงครามสงครามคูอัลละอลงอะไรมาเป็นกองทัพส่งลมพัดมาส่งอากาศเย็นมาเป็นกองทัพของพระองค์นะครับนี่คือความหมายของคาว่าอัคลอาดะ กผู้ช้ิกินมองไม่เห็นไม่เห็นมหนมายถึงว่านึกว่าตัวเองเนี่ยมีพวกเยอะสุภานัลนลอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บรรดาคนที่เป็นมุจาฮิดีนนะครับเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของ Allah, ลัทธิอัลลอฮตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเอาแค่ยุค ข, ของท่านนาบีสลต่าอลลฮ่ามีกี่ครั้งที่กองทัพมุสลิมเยอะกว่ากองทัพกองกาเฟ ของมุสลม่ีกี่ครั้งไม่เคยเยอะกว่าเคยเยอะจำนวนมากแต่ก็ไม่เคยเยอะกว่ามุสลิกีในสงครามโูนนยจำนวนเยอะแต่ก็ไม่ได้มากกว่าพวกมุสลิกีแล้วตอนที่มีกองทัพเยอะเนี่ยต้อจะมีปัญหาตลอดสงครามอูฮุดมีคนเยอะก็มีปัญหาสงครามฮูไนน์มีจำนวนเยอะก็มีปัญหา หมายความว่าเกือบเกือบจะแพ้สงครามหัน้าอนยะ่าเกือบเกือบจะแพ้เพราะฉะนั้นนะฮะจำนวนไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเราจะได้ชัยชนะหรือจะเราจะประสบความพ่ายแพ้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อัลกุรอานพูดถึงในสมัยก่อนก่อนหน้านัท่านบดุมฮัมหมัดในสมัยตอลูดตอลูดกับจาลูดใช่ไหยครับของบันิอิสราเอล กองทัพของจาลูดโอ้เป็นยักษ์เป็นอะไรต่อลูดมานิดเดียวสุดท้ายใครเป็นคนฆ่าจาลูดใครเป็นคนฆ่าจาลูดครับ <laughs> ท่านนบีดุลลาห์อะลัยซซ่าล่ะนะครับอยู่ในกองทัพของต่อลูดอาสาออกไปฆ่าจาลูดอนนี่คืออนนี่คือเขาเรียกว่า มิตรยศตัวชีวิถ้าเป็นภาษาไทยตัวชีวิตไม่ใช่จํานวนสุภาพนัลล่นอหละนะครับแต่คือคืออะไรเพราะแ ม, ม้ว่ามุสลิมจะมีจํานวนน้อยแต่ถ้าหากเขานะจํานวนน้อยที่ว่าเนี่ยเปี่ยมด้วยพลังอีมานการศรัทธาตา่อร่องสุภาพะัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งแรงสนับสนุนนะกองหนุนโดยที่พวกเขามองไม่เห็นสุภานัลนแหละนะครับทั้งในโลกดุ نية และในจักรวริัลเลาะห์ เพราะฉะนั้นเนี่ยอายันี้นะครับเป็นการให้กำลังใจกับบรรดามุสมินและเป็นการขู่พวกมุชริกีว่าอย่าหลงระเริงไปนะนะพวกเจ้าจะกาจะเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o g t au, h e r เนี่ยคิดว่าพวกเจ้ามีจำนวนเยอะมีไอ้นู่นไอ้นี่เยอะนะเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอัลลอฮ์ุบฮานได้หรือนะครับวลาแอะไรนะ้อค่ะลบนาไปลรานลไนเวลาทปลาาลาทลลีนรลลาา พลีซุมมะมะว่าคงจะหันนำวิสเมหานะครับใครที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเขาจะเจอกับข้อเท็จจริงพวกนี้นะครับแทรกอยู่ในอายะต่างๆที่ในสุร์ต่างๆที่อัลลอฮต่ลาพูดถึงสุนนะอัลมูดาะสุนนะทูลมูดาซะะหมายถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่อัลลอฮฺแต่ลาทำให้ความดีกับความชั่วนี่มันมาปะทะเผชิญหน้ากัน แล้วสุดท้ายสัจธรรมจะได้รับชัยชนะก็เนื่องด้วยการที่ผู้ที่ยึดมั่นในสัจธรรมเนี่ยมีความมั่นคงในศรัทธาที่เขามีต่ออัลลอ์สุบฮาน a l t o g e t โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตโตฮีอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่เราจะได้รับชัยชนะในทัศนะของอัลล์สุบฮาน a l t o h ก็คือการที่เรากลับไปสู่อัลลอฮ์เพียงพระ อ, องค์เดียวเหมือนที่ท่านนาบีประกาศ “قل أدعوا ربي إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحد” ข้อเรีเป uh <téléphone> ็ันะครับประชาชาติของท่านนบี Muhammad ﷺ ที่เดินตามรอยเท้าของท่านในการประกาศอัตถูฮีบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับและอิลลัฮิลลอหนะครับนี่คืออัครีดัของเรานะครับัลลอฮ تعالى ع ل َُ س َ ل ََ ن َ ب ِ ي َّ ن َ ح َ م ََّ و َ ع ل َ ه َ ص َِ ل َ سبحان ربك رب العزة ع م ا يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.